ซื้อซอฟต์แวร์เถือนบาปหรือไม่ถามการซื้อซอฟต์แวร์เถื่อนถือว่าเราละเมิดสิลนข้ออธินาทานหรือไม่และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคืออะไรบ้างครับตอบถ้าเชื่อสิอย่างว่าถูก ก็เป็นเรื่องยากที่ใครจะบอกว่าผิดและถ้าเชื่อเสอย่างว่าผิดก็เป็นเรื่องยากที่ใครจะบอกว่าถูกแม้ว่าเกี่ยวกับกรณีนี้จะมีแง่มุมที่ซับซ้อนคลุมเครือและเป็นสีเทามากกว่าดําสนิทหรือขาวสะอาดสำหรับฝ่ายผู้ซื้อในที่นี้ขอออกตัวว่าผมตอบจากการเลงไปที่พฤติของจิต และกรอบของศีลข้อห้ามมิใช่มุมมองเชิงปรัชญาว่าด้วยการตัดสินอะไรดีอะไรชั่วซึ่งคิดไปได้หลายอย่างหลายแนวสุดแทแต่มุมมองของแต่ละคนการกอบคาว่าด้วยการผิดศีลข้ออาทินนาทานหรือพูดง่ายๆว่าลักขโมยของของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยมิชอบไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของนั้น มีองค์ประกอบอย่างละเอียดคือ 1. วัตถุไม่ใช่ของตนเป็นของในกรรมสิทธิ์ครอบครองของผู้อื่น 2. ใจรู้อยู่ว่าไม่ใช่ของของตน 3. มีใจเล็งโลภอย่างแรงกล้าว่าจะเอามาเป็นของตนทั้งรู้ว่าเจ้าของไม่ยินยอมสี่ มีความพยายามที่จะขโมยห้านำมาอยู่ในมือตนสำเร็จหรือครอบครองในทางใดทางหนึ่งแม้เพียงเสี้ยววินาทีเมื่อครบองค์ประกอบดังกล่าวไม่ว่าเจ้าของเดิมจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนเราก็ได้ชื่อว่าเกระมข้ออาทินาทานเรียบร้อยแล้วเป็นหัวขโมยแล้วครั้งหนึ่ง และจะเป็นหัวขโมยขนาดแท้เมื่อปราศจากความรู้สึกผิดอย่างสิ้นเชิงแต่อาจเป็นหัวขโมยสมัครเล่นที่เกาะกรรมอธินาฐานไม่หนักแน่นนักคราวนี้มาพิจารณาดูว่าขณะจิต ท, ที่คิดซื้อ c ีดีเถื่อนนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเทียบเคียงกับห้าข้อข้างต้นหนึ่งวัตถุ เป็นของของพ่อค้าซีดีเถื่อน 2. ใจเรารู้อยู่ว่าเป็นของของพ่อค้าแต่ขณะเดียวกันก็ทราบว่าเขาได้มาโดยมิชอบเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงไม่เต็มใจให้นํามาขาย 3. ม, มีใจคิดจ่ายเงินแลกของของพ่อค้าซีดีเถื่อนมาโดยชอบทำสี่ไม่ได้มีความพยายามขโมยของของพ่อค้าซีดีเถื่อน แต่หลีกเลี่ยงที่จะซื้อสินค้าจากผู้ผลิตซึ่งมีกรณียากย่อยอีกคือสินค้าไม่อาจหาได้จากทางอื่นแม้สั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นนั้นก็อาจอ้างได้ว่าไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงแต่เป็นการจำใจซึ่งน้ำหนักอากุศลก็จะลดลง 5. ้านำซีดีของพ่อค้าเถื่อนมาอยู่ในครอบครอง และไม่คิดซื้อของถูกลิขสิทธิ์จากองค์ประกอบข้างต้นนั้นทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจโขขโมยตัวจริงคือพ่อค้าซีดีเถื่อนส่วนผู้ซื้อซีดีเถื่อนไม่ผิดศีลเพราะซื้อของจากมือพ่อค้าแต่ถ้ามองว่าพ่อค้าเป็นโจรปล้นลิขสิทธิ์ผู้ซื้อก็หนีไม่พ้นฐานะรับซื้อของโจร นอกจากนี้ยังมีกรณีแยกย่อยอีกถ้ามีการไร้ซีดีไว้แล้วคุณเห็นอยู่แล้วว่ามีการก๊อปเรียบร้อยคุณไปซื้อมาก็ถือว่าไม่ได้ทำผิดศีลทำนองเดียวกับที่ซื้อเนื้อจากตลาดสัตว์ตายแล้วคุณก็ได้ชื่อว่าซื้อซากศพเพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้รู้เห็นไม่ได้จ้างหวานฆ่าไม่ได้ชื่อว่ามือเปื้อนเลือด ไม่ได้ชื่อว่าใจเปื้อนบาปข้อปานาติบาตแต่ถ้ายังไม่มีการไร้ซีดีใจคุณรู้อยู่ว่าเขาจะต้องไปไร้ซีดีตามสัง่งอย่างนี้ใจเรามีส่วนในการร่วมขโมยกับเขาแล้วอย่างน้อยก็หนึ่งในสี่เหมือนชี้ตัวกุ้งเป็นๆว่าเราจะเอาตัวนี้ให้เขาจัดการไปเชื้อมาลงหม้อโปแตกให้เราแม้เราไม่ได้ฆ่าเองด้วยมือ ใจก็ได้ชื่อว่าแปดเปื่อนปนานาติบาทนี่ก็เช่นเดียวกับการร้ายซีดีแม้คุณไม่ได้เป็นคนกดปุ่มเองแต่ก็ใช้ให้เขาไปกดใจจึงได้ชื่อว่าแปดเปื่อนอธินนาทานกับเขาด้วยสำหรับผลของการซื้อซีดีเถื่อนซึ่งถือเป็นการร่วมหัวรับซื้อของโจรด้วยกันทั้งประเทศ ถ้ามองโดยภาพรวมก็คือจะส่งให้เป็นผู้ไปอยู่ในเขตที่ผู้คนไม่ค่อยเริ่มสร้างสรรค์ไม่ค่อยอยากทำอะไรให้ถูกทำนองคลองทำพูดง่ายๆโอกาสเกิดในประเทศด้อยพัฒนามีสูงโดยเฉพาะถ้าใช้ของโดยไม่รู้สึกเห็นใจผู้ผลิตศสีีตัวจริงเลยไม่อุดหนุนในทางใดทางหนึ่งเลยก็จะเกิดใหม่ในสิ่งแวดล้อมที่ผู้คนชอบลักกินขโมยกิน ด้านเทคโนโลยีอีกให้คิดเองผลิตเองจะขี้เกียจไม่กล้าเป็นผู้นำในการค้นคว้าวิจัยกันปัจจุบันที่ยังมีคนพัฒนาซอฟต์แวร์ได้และมีค่ายเพลงทำเพลงออกมาป้อนตลาดไว้นั้นก็เพราะยังมีคนส่วนหนึ่งเต็มใจจ่ายให้ผู้ผลิตแต่เรื่องพวกนี้มีปัจจัยหยุมยิมเยอะครับเช่นที่ถกกันมาก คือส่วนต่างของค่าเงินระหว่างประเทศนั้นสูงมากถ้าขายประเทศเหนึ่งร้อยเหรียญคนประเทศนั้นไม่ต้องคว้ากระเป๋าหนักนักแต่ถ้ามาขายอีกประเทศหนึง่งคนซื้อมีหวังกระเป๋าฉีกตามๆกันนั่นจึงเกิดข้ออ้างได้มากมายที่เหมือนจะสมเหตุสมผลเอาเป็นสรุปท้ายคือ อย่าตั้งความยินดีไว้กับการซื้อของเถื่อนก็เล่ากันครับแต่ละครั้งที่ซื้อของเถื่อนแบบไม่เห็นใจเจ้าของตัวจริงคุณสร้างแนวโน้มได้ไปอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาประเทศที่ไม่ให้ความสำคัญกับผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรไว้ในตัวแล้ว